ท่านฟังที่เคารพคะ่ะท่านกำลังฟังสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติในรายการสัมสีสนทนารายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคำสอนของพระสารสดาซึ่งเราเน้นว่าเป็นพุทธวจนะจากพระโอษฐ์กันอยู่ตลอดทั้งรายการนะคะเรียกว่าเกือบรอยเปซ็นเป็นเช่นนั้นแต่มีหลายลีลาช่วงแรกก็นาการปฏิบัติ ตามคำสอนพร้อมๆกับการให้ฟังพุทธวจนะชนิดที่เป็นการอ่านให้ฟังโดยพระมากชาคาวโรพอมาถึงช่วงที่สองนะคะเราก็มีพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งก็คือพระพร บ, บุญอภิปุญโนวัดปารอนไฮโุดอนธานีตอบคำถามโดยนำเอาพุทธวจนะมาตอบช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะต่อไปนี้นะคะนมส ก, การกับท่านเพบุญคะ่ะอจรเมื่อวานนี้ ก็นึกขึ้นได้หลังจากที่สนทนาบันทึกเทปกับท่านต่อเนื่องกันสีวันโดยลืมในสาระที่แจ้งกับท่านฟังว่าช่วงปลายปีเนี่ยจะให้ท่านฟังได้มีพุทธวจนะในการที่จะมอบให้กับคนที่เราเคารพนับถือรักใคร่ในช่วงปีใหม่อะค่ะอ่ะาเชิญพาอันนี้เลยคงต้องรบกวนท่านมากกว่าหนึ่งพุทธวจนะค่ะอันนี้ก็คือคิดว่าจะเลยไว้ให้สองอย่างอันอันนี้ที่พระุทธเจ้าได้อ่าตรัสกับพระอนน์ไว้ นะ <Okay. S 1> บอกว่าจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนคือการตั้งหน้าปฏิบัติเถิดจงอย่าประมาทจงมีความเพียรกําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดนะพูดบง <Okay. S 1> างเดียวไว้เกิดนี้ก็พูดถึงอาจจะเป็นอาจะเป็นข้อความที่ให้กับคนที่มีวายวุทธคุณวุฒิต่ํากว่าเราใช่ไหมเ <Okay. S 1> ตือนสติเขาให้เขาตั้งหน้าตั้งตาทํ า, ต, า, ต, าต่อไปสร้างเนื้อสร้างตัวให้อยู่ในกุศลอย่างนี้ก็ได้เกณฑ์ <Okay. S 1> นะในสศ ส, อ ก, สก็สา ม, มารถใช้ข้อความนี้ได้ ท่านขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะมช้าๆหรือ ว, ว, ว่าท่านฟังเนี่ยวิ่งไปประการละ <c oughs> อะจงสืบต่อจงพยายามค่ะในประโยชน์ของตน <c oughs> คือการตั้งหน้าปฏิบัติเถิดจงอย่าประมาทจงมีความเพียรกําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเติร์ดนะอย่างนี้อืจงอย่าประมาทนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกอยู่เสมอนะว่าเสมอวันหยุดเนี่ยช่วงวันหยุดยาวๆอย่างนี้นะ เ, เราจะทำอะไรดีทำอะไรก็แล้วแต่ละอย่าประมาทน ะ, ะก็ค่อยให้มีสติจะไปเที่ยวก็ให้มีสติรักษาตัวด้วยอย่างนี้ค่ะจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนคือการตั้งหน้าปฏิบัติเถิดใช่อันนี้หมายถึงปฏิบัติธรรมถูกต้องอแล้วก็ไม่ใช่เป็นการ นั่งสมาธิอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่อปฏิบัติธรรมนี้ก็ได้ทุกเรียบทนะคะปฏิบัตินี่คืออยู่ในมัสมีองแปดมันกันก็ได้ค่ะจงปฏิบัติมัสมีองแปดเนี่ยนะคะเถิดแล้วก็ต่อ ด, ด้วยจงอย่าประมาอจจงมีความเพียรกําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดใชฉันพูดถูกไหมคะถูกต้องเพียงเลยจงอย่าประมาจจงมีความเพียรกําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดอันนี้เหมาะมากสําหรับคนที่ อยู่ในหนทางแห่งการปฏิบัติอยู่แล้วเป็นการเตือนตัวเองส่วนคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติก็เหมาะนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้การปฏิบัติว่าเอ๊ะทำตามอริยมรรคม่องค์แปนเป็นอย่างไรท่านไับูร์บอกให้หน่อยเลยได้ไหมค ะ, ะก็คือเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเลยคแค่ว่าชีวิตของเรามีศีลในเวลามีอะไรมากระทบกระทั่งเราก็รักษาจิตของเราให้มั่นคงอยู่ได้ อันนี้ก็เรื่องของจิตในะเรื่องของสมาธิในะเวลาเราก็พยายามจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับไปอันนี้เราก็จะปล่อยวางได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญญานะในทุกๆเรื่องเวลาเราไปเจอเพื่อนร่วมงานเรากอา็อย่าด่ากันอย่าว่ากันอันนี้ก็แสดงถึงศีลสมาธิปัญญาที่เรามีใช่ไหมรเราไปเจอลูกน้องเจอเพื่อนร่วมงานเจอคนในครอบครัวเราก็ปฏิบัติดีด้วยกันเฟือเฟือเผื่อแผ่ ก, กันอดทนกันให้อภัยกันเนี่ ก็แสงถึงศีลสมาธิปัญญาของเราล่ะท่านพิบูลณ์คะทีนี้มันมีมาตรฐานของการที่จะส่งความสุขให้แก่กันในช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะต้องมีการพูดถึงว่าขอให้ได้แต่สิ่งดีๆถูกไมคะทีนี้เหมือนกับว่าอันเนี้ยสอนอย่างเดียวเลยสอนเราจังเลยเป็นเทศกาลอวยพรจะมีแถมตรงไหนที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่า แล้วคุณจะได้เยอะเลยนั่นเนี่ยนี่ไงอันต่อไปนี้คือบุญย่อมเจริญงอกงามแกท่ทายกผู้ให้อยู่อันนี้เป็นพุทธวจนะน ะ, ะบุญย่อมเจริญงอกงามแกท่ทายกผู้ให้อยู่เวนย่มอมอะฮะอันนี้หมายถึงอีกบทหนึ่ ง, งอีกบทหนึ่งอีกบทหนึ่งเลยเวนย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระ ง, งับเวนเสียได้คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็นิพพาน แค น, นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเราทําบุญเราหวังว่าอาจจะให้เรามีความสุขใช่ไหมก็นี่เลยบุญย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้ที่ให้อยู่ถ้าเรามีการให้กันเ อ, อื้อเฟื้อเผอแผ่กันคุณเอาของก่อนไปให้งานปีใหม่ใช่ไหมคุณเกิดบุญแล้วคุณเอาของให้เพื่อนกันนะค่ะบุญย่อมเจริญงอกงามแก่ทายกผู้ให้อยู่ผู้ให้อยู่เวนย่อมไม่สื่บต่อแก่บุคคลผู้ระงับเวนเสียได้ แล้วก็บอกคนฉลาดเท่านั้นละบาปเลยคะละบาปเสียได้แล้วก็นิพพานใครไปนิพพานไม่ได้นี่ไม่ฉลาดเลยไงคะเออคนไปนิพพานไม่ได้ไม่ฉลาดถึงที่สุดอ๋อค่ะนะคะ <laughs> อันนี้เท่ากับว่าคือแต่ดิฉันเนี่ยยืนยันนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะเขียนคําพวกนี้คิดมากอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าจะไม่นั่งคิดอีกทีนะคะท่านอาจารย์เหมือนกับเรารับ การอวยพรปีใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาอ่านมาอ่านเนี่ยล้วแล้วแต่ถ้อยคําดีๆแต่มันถ้อย ค, คําคล้ายๆกันหมดเลยมันจืดไปเนาะนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราจะให้แบบเนี้ยเขาไม่น่าลังเกียจใช่แล้วก็ส่วนเขาจะรับเอาไว้แค่ไหนอย่างไรมันสําเร็จที่การให้แล้วไหมคะใช่แล้วการให้อย่างนี้เนี่ยเป็นการให้ที่เหนือกว่าอามิตรอย่างกรณีของพระสงฆ์อย่างเงี้ยคุณติว๋วเราเรารับก้อนข้าวที่ตกลงในบาศใช่ไหม อย่างพระสองฆ์อย่างหลวงพ่อสะอาดอย่างเงี้ยท่านบอกอาตมาเสมอนะว่าเออเนี่ยเราเป็นนี่บุญคุณของญาติโยมนะคือเขามาให้ทานเนี่ยเขาเรียกอุปการะเราก่อนนะเขาให้ก้อนข้าวเราเนี่ย เ, เราได้รับการอุปการะนะเราจะตอบแทนเขายัางไง <c oughs> นะเราถ้าเราตอบแทนด้วยสิ่งที่เป็นอามิสเราจะเอาอามิสอะไรมาตอบแทนคุณก็มีแค่บาทแค่จีวรใช่ปะจะ <c oughs> ให้เงินเหรอเงินเราก็ไม่ได้ห า, านาก็ไม่ได้ทําสัตว์ก็ไม่ได้เลี้ยงจะทําไง พระเจ้าก็ให้ตอบแทนด้วยสิ่งที่เหนือกว่านั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นนิรามิตอย่างจะตอบแทนบุญคุณบรรดาบิดาใช่ไหมก็ให้รู้สีนสมาธิปัญญาใช่ไหมในลักษณะนี้เราก็ต้องตอบแทนบุคคลที่ให้ก้อนข้าวเราเนี่ยด้วยการให้รู้ธรรมะเหนือกว่าขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอย่างเราตอบแทนคนอื่นอย่างเงี้ยในวันปีใหม่อวยพรเขาแทนที่จะให้สิ่งที่เป็นกามคุณใช่ไหมเราให้สิ่งที่เป็นนิรามิตขึ้นไปเนี่ยดีมากๆเลยเอาจมาว่า นะคะหลวงพ่อสะอาดเนี่ยคือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนายโซอุดรธานีที่พระเพบุลจำพันสายอยู่ที่นั่นค่ะเป็นท่านอาจารย์วันนี้ท่านไม่ได้มานะคะมาอยู่หลวงพ่อมาอยู่อ๋อจริงรึเปล่าคะใช่กรารนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อมาทีไรไม่ค่อยได้ให้เสียงนะคะระยะหลังเลยเข้าใจว่าสงสัยท่านไม่ได้มาค่ะท่านเมตตามากนะคะท่านฟังที่เคารพค่ะเนี่ย ทนผฟังก็ได้ประโยชน์ <Yeah. S 2> เพราะว่ามีพระอาจารย์ใหญ่นั่งกำกับอยู่ด้วยเลย <laughs> <laughs> แล้วท่านเมตตาสูงมากถ้าอยากไปพบท่านนะคะไปที่วัดป่าดอนหายโศกนี่ได้พบท่านแน่ๆแล้วก็จะได้ไปเรียนรู้ในการปฏิบัติกับท่านซึ่งมีคนจากต่างทิศต่างที่เนี่ยไปกันอยู่เป็นประจำเลยค่ะใช่ <laughs> ปีใหม่นี้กลับเรียนถามท่านไปบูนและหลวงพ่อเลยนะคะ <laughs> ว่า <laughs> มีวันอยู่หลายวันนะคะที่อื่นเขาก็มีเขาดาวกันอืม <laughs> ของท่านเยนะคะเอ่อก็จะคือคือเป็นธรรมดาถ้ามีคนมาเราก็จะอาจจะมีเทศให้ฟังได้ hmm. นะฮจะถ้ามคีคนนั่งสมาธิกันเราก็นั่งสมาธิได้นะ <c oughs> นี่ก็สามารถทําได้แต่ว่าคือในการกระทําเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่เป็นแบบเอ่อ motion ของชาวเมืองเขาทาเราก็ทํากันไม่ใช่เรา<ม>ทำจริงๆอ่าเป็นแฟชั่น <c oughs> แต่เราทําเป็นเรื่องเป็นราวลักษณะที่ว่าเราหวังอะไร เราไม่ได้หวังแฟชั่นที่มันจะเกิดขึ้นแต่เราหวังสิ่งที่มันจะกุดเกลากิเลสออกจากจิตของเราไปได้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเพราะว่าโลกมันมีความทุกข์มากหรือไงก็ไม่ทราบหรือว่าประเทศไทยเนี่ยคนมีความรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เป็นความเครียดอยู่กิจกรร ม, มในทํานองนี้จึงมีมากขึ้นทุกวันเลยนะคะก็คนที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยไม่รู้เรื่องธรรมะเนี่ยพอเขามีความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ย เขาก็จะไปแสวงหาทางออกของความทุกข์นั้นโดยคิดว่าการมาสุขเนี่ยจะมาช่วยระ ง, งับความทุกข์นี้ได้ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมคุณไปเที่ยวเล่นคุณไปไนั่งคลับคุณไปเขาดาวคุณไปต่างจังหวัดดูท้องฟ้าสวยๆคิดว่ามันจะคลายความทุกข์ได้บ้างแต่พอไปถึงนะคุณโยมติ๋วเจออะไรคนเพียบเลยอึดอัดขยะเต็มซื้อขอไม่ได้รถติดยิ่งเครียดหนักขึ้นอีกค่ะที่บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้ว ถาลาพังตัวเองก็คงอยากเงียบๆแต่อาจจะต้องเอาใจคนในครอบครัวนะคะคือเขาทํางานเหนื่อยขึ้นมาเขามีความรู้สึกว่าแบบนั้นเป็นหนทางใ้การพักผ่อนอืเราก็สามารถไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจิตของเราให้หลีกเล่อมั น, น, นไปได้ไหมคะอ๋อเป็นได้กายวิเวกจิตหลีกเล่นนะกายวุ่นวายอยู่จิตหลีกเล่นก็าสามารถทําได้อะไรดีที่สุดคะกับการที่ เรากำลังจะก้าวผ่านในปีเก่าไปสู่ปีใหม่ซึ่งเป็นการกระทําของผู้ที่มีโอกาสได้เข้าถึงระาศาสนาแล้วเนะะี่ยค่ะเอาแค่วันนี้อะน ะ, ะถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ที่เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราชื่อว่าวินาทีนี้เราอยู่อย่างมีคุณค่าทันทีถ้าวินาทีนี้เป็นวินาทีที่เปลี่ยนจากปีพุทธศักราชเก่าเป็นปีพุทธศักราชใหม่แม่ดีที่สุดถ้าวินาทีนี้เป็นวินาทีที่จะเปลี่ยนจากการคืนเป็นกลางวัน นั่นก็ดีที่สุดตรงนี้สมมติว่าคือจะชาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขนาดนั้นเช่นโหปีองันอหี่เนี่ยมันเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วนะมันกำลังจะพ้นไปพิจารณาทำอย่างใรได้เลยคะจากตัวอย่างนี้เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ค่ ะ, ะเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราเข้าใกล้ความตายไปอีกหนึ่งปีแล uh ้วใช่โยนะคะก็คิดทํานองนี้ดูซิเวลานาทีซึ่งเป็นของมาตรฐานของโลกก็ยังเป็นมาตรฐานที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดคือคือคนมันเป็นอย่างเงี้ยคุณหยมติ๋วพอเราไปสถานที่แบบนั้นก็ไปเค้าดาวกันใช่ไหมแล้วเราลืมแก่เราลืมว่าเราแก่ไปอีกปีหนึ่งแล้วนะเราลืมไปเพราะเราไปหลงสีสัน ดื่มกินเที่ยวเล่นบันเทิงเฮฮาจนกระทั่งลืมว่าเราแก่ไปอีกปีหนึ่งแต่นี่คือความจริงนะเราลองพูดความจริงกันน ะ, ะว่าเราแก่ไปอีกปีหนึ่งแล้วคุณลืมแก่คือดอนมันมีพัตนาการอันหนึ่งพัฒนการลืมแก่อ๋อมีด้วยเหรอคะมี <laughs> อโอ้โหเราทำอะไรกันบ้างคะที่นั่นกัน <laughs> <laughs> คือก็เทีย่ยวเล่นเฮฮาดื่มกินแสงสีเสียงอ๋อชื่อลืมแก่ใช่ลืมแก่นี่ไม่ใช่สําหรับคนแก่นะคนหนุ่มก็ลืมว่าตัวเองจะต้องแก่เหมือนกันนะ คนหนุ่มก็ไปคนแก่ก็ไปคนแก่เดียวมันแก่มากบางทีจนลืมว่าตัวเองแก่ก็มีอคิดดูแล้วกันคือ <c oughs> ดิฉันว่าโลกเนี่ยมันสู้กันอยู่สองด้านอยู่ยทั้งการเ <c oughs> มื่อคืนนี้ได้ดูรายการทางเคเบิลทีวีเป็นรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วเขาจะพูดถึงอะไรที่ดีที่สุดดูแล้วนี่ตื่นตะลึงเลยคนะคะคือเขาไปถ่ายที่เมืองลาสเวกัสอ๋อซึ่งเป็นเมืองที่ส่วนใหญ่จะนิรมิตรตามจินตนาการที่มันสุด ที่คนคิดว่าบนโลกนี้ไม่มีแล้วมันมีที่นั่นนะนะคะอุ <Ừ. S 2> ้ยสารพัดสารพันดูแล้วมีความรู้สึกว่าโลกมันสู้กันจริงๆกันทั้งนั้นก็ <c oughs> <c oughs> คนแก่เนี่ยก็มาแต่งให้ดูเด็กได้ใช่ไหมที่นั่นนะอืม <c oughs> มั น, ม, นมันหลายอย่างคะ่ะแต่ว่าไม่อยากจะอธิบายว่าเป็นรายการธรร ม, มะคือมันเป็นอะไรที่มันฉูดฉาด <c oughs> มีสีสรรรันขนาดเราเคยไปลาสเวกัสมาเราก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นอืมมันสุดโต่งจริงๆอ่าสุดโตงในทางที่ ทำให้กิเลสมันเฟื่องฟูองอกอันนี้พู้ริ้ชอพูดถึงการ<ม>ดูการละเล่นที่เป็นค่าศึกตอกกุศลธรมรมพอเราดูแล้วเนี่ยอินทรีย์ของเราจะถูกกระชากดึงให้ขาดออกเลยเพราะว่ามันไหลไปตามตาหูจมูกใช่ไหมเป็นภาพเสียงที่จะทำให้จิตเราแตกได้ลืมแก่แไปเลยตอนนั้นนะท่านคะทีนี้สมมุตินะอย่างกับคนบางค น, เ, นเขาก็ยังมีความรู้สึกว่า ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ยังต้องอยู่ในสังคมมันก็ยังต้องให้ความสุขคนอื่นดูแลและเอนเตอร์เทนบางคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะคะ mm hmm. จะต้องเอนเตอร์เทนคู่ค้าเราด้วยกิเลสเพราะมันทําให้เขาหลงพอหลงแล้วเขาก็อาจจะหลงมาตัดสินใจเข้าข้างเรา mm hmm. ซื้อขายทําการค้ากับเราอันนี้เป็นต้นนะคะ mm hmm. ก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไงไม่ต้องไปอะ่ะแต่ระหว่างที่ไปค้าไปอย่างนั้นกลับมาก็ มาชำระล้างสักทีได้ไหมคะใช้ชีวิตทั่วผู้ันไปไ ป, ไปวัดป่าดอนหายโศกสักปีละครั้งมาล้างบาปสิ <laughs> <c oughs> มันพอจะเป็นประโยชน์ไหมคะ <c oughs> คือความร่าเริงเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้นะคือความร่าเริงที่พระเจ้าบอกว่าถ้าผู้ว่าเราฟังพุทธวจนะเนี่ยก็จะเกิดความอาหรรร่าเริงในธรรมได้ฟังธรรมะก็ร่าเริงได้ <c oughs> มีความสุขมีความสบายใจได้มีความร่าเริงได้ บางคนที่ไปฟังดนตรีอะไรต่างพอเขามาฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนั่งสมาธิไปด้วยเนี่ยแหมมันมันอมันสนุกมากมันมันมากมันร่าเริงมากพูดอย่างนี้ก็คือมีความสุขของเขาในแบบที่ที่เป็นธรรมะนะเป็นความสงบระ ง, งับที่ฉันจะขออนุญาตสรุปอย่างนี้เลยได้ไหมคะจากพุทธวจนะปีใหม่ที่ท่านมอบให้ไปสองบทแล้วสองพระสูตรในวันนี้นะคะ อ, อีกส่วน ที่เหลือสำหรับคนมีความรู้สึกพวกมันไม่ใช่หลงโลกนะเป็ น, นจําเป็นจะต้องอยู่โลกในความหลงก็ลองมาลิ้มชิมรอบอีกด้านหนึ่งนะคะคือเข้าหาคำสอนมาดูซิว่าธรรมะของพระศาสดาสำหรับเรานั้นจะทำให้ร่าเริงได้ดังที่ท่านไปบูรพูดหรือไม่ ดีกว่าไม่ยอมพาตัวมาทำความรู้จักเลยใช่ๆเห็นด้วยะะด้วยสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกกันเอาเองก็แล้วการรายการนี้ไม่บังคับค่ะ <c oughs> วันนี้ก็คิดว่าควรแก่เวลาแล้วนะคะนะคะต้องกราบนมัส ก, การต้องเบื้องต้นขอขอบพระคุณหลวงพ่อด็อเตอร์สะอาดนะคะ <c oughs> แห่งวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธา น, <c oughs> ทานีที่ได้เมตตาให้ท่านไปบูนนะคะมาให้ธรรมะพวกเราอยู่เป็นประจา แล้วพร้อมคันนั้นก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เพริบุญอภิปุณ โ, โนสำหรับสตานนี้ด้วยนะคะนมรดการค่ะอาจารย์พราค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะส่วนท่านเพริบุญเนี่ยท่านมีรายการอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเดียว ก, กันกับพวกเราอีกทางหนึ่งนะคะก็ติดตามฟังกันได้เป็นประจำทุกวันส่วนรายการของเราจะขอหยุดพักเสาร์อาทิตย์ค่ะท่านที่สะดวกฟังแต่ที่นี่ก็ทบทวนเอาละกันนะคะว่าท่านได้ธรรมะอะไรไปบ้างเสาร์อาทิตย์ทําทุกอย่างที่ เป็นเรื่องที่ท่านจําเป็นต้องทําก็แบ่งเวลาที่จะปฏิบัติในสิ่งพวกนี้หรือว่าทําไปพร้อมๆกันได้ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าเข้าใจแล้วนี่นะคะเระหวังว่าพุทธวจนะนั้นจะนําความสวัสดีให้กับชีวิตของท่านเพราะเป็นความจริงนะคะว่าถ้าปฏิบัติสร้างเหตุให้ถูกเนี่ยผลมันได้อย่างแน่นอนวันนี้เราก็ฝากกันอาไว้นะคะเพียวธรรมะคอมหนึ่และ0 2 2ย์ส0งส เป็นที่ที่ท่านจะทิ้งคำถามมาให้กับพวกเราได้ส่วน022690006เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถจะมาขอหนังสือพุทธวัจนะไปศึกษาเพื่อสูตรอย่างเป็นลายลักณ์อักษรโดยอภินันทนาการจากท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพง์ที่พระมาชาคัมาีรเราอยู่ก็คือพระคริส์โสติพโลนะคะวันนี้เราลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะพุทวสวัสดีค่ะ